ก็ขอโมทนากับพวกเรานะที่ได้ต э ั้งใจในการฟังว่าธรรมกันก็พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอภปานิยธรรมนะทำที่ไม่เป็นที่ตั้งเหงี่งความเสื่อมเจ็ประการในอังคุตระนิกายนีในสัตการนิบาตที่บอกว่าสัตว์ถูกคารวตาความเป็นผู้เคารพในภาษาสดาธรรมะคารวตาความเป็นผู้เคารพในพระธรรม สังฆาคาราวตาความเป็นผู้เคารพในพระสงฆ์สิกขาคาราวตาความเป็นผู้เคารพในสิกขาสมาธิคาราวตาความเป็นผู้เคารพในสมาธิกรรยานามิตตตาความเป็นผู้มีการยาณมิตรประการที่7ก็คือโสวจัสตาความเป็นผู้ว่าง่ายใน7ประการนี้นะย่อม มีได้ด้วยความไม่เสื่อมแห่งปฏิพานเพราะเหตุนั้นนั่นเองนะีในการที่เราท่านทั้งหลายศึกษาพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยบุญที่เกิดขึ้นจากการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะีและในขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในวัตถุทั้ง3คือพุทธรัตนธรรมรัตนและก็สังขรัตนะซึ่งเป็นรัตนะเป็นที่ตั้งแห่งความเรื่อมใสเป็นบุญอันเลิศพระพุทธเจ้าตรัส บอกว่าการบูชาการศึกษาพระธรรมคำสอนของผู้มิพาคเจ้าเนี่ยเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐ ด, ด้วยบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะไม่สามารถจะนับบุญของบุคคลผู้ศึกษาผู้บูชาบุคคลผู้ควรบูชาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระรยาสงฆ์ทั้งหลายผู้ ก, ก้าวล่วงซึ่งทำอันเป็นเครื่องเนิ่นช้า พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีนี่ท่านก้าวล่วงทำกล่าวคือตัณหามานาะทิฏฐิได้เรียบร้อยแล้วท่านพ้นจากโสกปริเทวทุกขโทมนะสะและอุปายาสนั้นท่านเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ดับกิเลสแล้วไม่มีชาติภิพยชราภัยพยาทิพย์มราณะภัยแต่ที่ไหนนฉะนั้นบุญที่เราท่านทั้งหลายวางไว้กับกลุ่มของท่านผู้มีพระคุณขนาดนั้นนะ่จึงเป็นบุญที่หา ประมาณไม่ได้หรือนับประมาณไม่ได้ถ้าพิจารณาจากคำสอนตรงนี้แล้วก็ก็เป็นเครื่องหน้าเพื่มใจเนาะที่เราท่านทั้งหลายได้ตั้งอัธยาศัยในการที่จะนอบน้อมในการที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ากันอย่างจริงจังแล้วก็เป็นคนที่ตั้งจิตตั้งเจตนาในการที่จะบาเพ็ญบารมีสิบเนาะ บางท่านก็อาจจะเอาเป็นอุปปาล ะ, ะมีสิบหรือปรมาธาบาลมีสิก็เพราะบา ร, รมีทั้ง30สประการนี้เป็นตัวหนุนเนื่องถามว่าบา ร, รมีทั้ง10ประการนี่หนุนอะไรก็ต้องบอกว่าหนุนโพธิปักจิกิยาธรรมฐานบาลมีศีลบา ร, รมีเนกขมาปัญญาวิริยะคันติสจัจจะที่ฐานนเมตตาแล้วเบขาจะเป็นตัวหนุนสติปฐานสมมติปทานอิทิบาทอินทรีพระละโพชงแล้วก็อริยมรรคมีองค์แใช่ไหม สรุปก็คือเป็นตัวหนุนสิกขาสามนั่นเองคือศีลสมาธิปัญญาให้ที่สิกขาสามเก่าวคือศีลสมาธิปัญญานั้นมีความแข็งแรงมากขึ้นและในที่สุดจริงๆนะเมื่อบรารมีต่างๆเหล่านี้มีความแข็งแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนกขมะหรือปัญญาเป็นต้นเหล่านี้แข็งแรงมากขึ้นก็เป็นการเพิ่มทําให้สิกขาสามเก่าวคือศีลสมาธิปัญญานั้นไหลเข้าสู่กระแสของ นามาทำเนีก็คือกระแสของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและเจตนาก็ชื่อวศีลเจตสิกก็ชื่อวศีลสังวรก็ชื่อวศีลอวียติกามา ก, การไม่ก้าวร่วงก็ชื่อวศีลกลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรกลุ่มสังขารละขนันใช่ไหมกลุ่มสังขารละขันเหล่านี้ก็ถูกแวดล้อมด้วยเวทนาขานันสัญญาขานันสังขาระขนันและวิญญาณละขันขันเหล่านี้ตั้งอยู่ตรงไหนฮัตยวัตถุเป็นต้นเนาะฮัยวัตถุตั้งที่มหาพูที่เกิดจากกรรม เกิดจากจิตเกิดจากอุตตุเกิดจากอาหารลองคิดดูนะกระแสขันทั้งรูปและน้ำเหล่านั้นน่ยที่มีสิกขาสามเป็นตัวหนุนเนื่องและมีบรารมีทําเป็นตัวหนุนเนื่องด้วยจากพองใสสักเพียงใดเนาะก็มาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นคุณของพระรัตนตรัยนี่ไงการที่เรามีพุทธรัตนธรรมรัตนและกสัต ร, ริรัตนเนี่ยเป็นสารณาเป็นจุดหมายเป็นที่พึ่งนะเป็นอัธยาศัยจึงจึงน่าคิดมาก ฉะนั้นอัธยาศัยของเราท่านทั้งหลายที่ตั้งไว้ดีแล้วเนี่ยต้องเพียรพ ย, ยายามนะการเดินบา ร, รมีนั้นต้องเดินด้วยความอดหารล่าเลงและผ่องใสเดินด้วยจิตที่มุ่งมั่นไม่ใช่เดินด้วยจิตที่เหงาหงอยเศร้าซ้อยใช่ซึ่งเป็นอกุศลจิตเราจะเดินบา ร, รมีธรรมทั้งหลายด้วยกุศลจิตถึงแม้จะเป็นอุเบกขาก็เป็นอุเบกขาที่น่าชื่นใจใช่ไหมเพราะเป็นอุเบกขาที่เป็นไปกับสัตทินทรีใช่ไหมมีสัตทินรียเป็นประธาน ถ้าสตินรีเป็นประธานนิปฏิโมกสังวรศีนไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมแข็งแรงอยู่แล้วถ้าสตินทรีย์เป็นประธานไม่ต้องพูดแล้วอินเดียสังวรศีนก็แข็งแรงถ้าวิรยินรีนะเป็นประธานใช่ไหมอาชีวปริสุทธิศีลก็ผองแผ้วถ้าปัญญินรีย์เป็นประธานปัจจะยสันนิสิตศีนก็น่าเชื่อถืออย่างมากเลยใช่ไหมจะต้องแข็งแรงมากฉะนั้นในที่สุดจริงๆก็คือประกอบศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาก็คือว่าอินรีห้า จากอินทรีห้าที่ธรรมดาก็กลายเป็นอินทรีห้าที่มีกําลังมากขึ้นกลายเป็นศัทธาภละสติภล ะ, ระเป็นต้นกันไล่ไปตามลําดับจนถึงปัญญาภล ะ, ะเนี่ยนะเออถ้าพิจารณาอย่างนี้ปแปล ว, ว่าเส้นทางหนทางที่เราท่านทั้งหลายยังต้องเดินนั้นยาวไกลแต่ยาวไกลนั้นถ้าคนมีศรณทธาเขาก็ไม่กลัวเยอะแต่สําคัญว่าทํำยังไงเนาะเราจะมีสารณะในกระแสจิตได้อย่างมั่นคง ถึงแม้ยังเป็นโลกียาสารณาคมแต่ก็เป็นโลกียาสารณาคมที่น่าที่่นาทึ่งน่าทึงา่งก็คือว่าไม่เศร้าหมองใช่ไหมเป็นศารนะที่ไม่เศร้าหมองเป็นสารณะที่ไม่ขาดจะขาดจริงอยู่ก็ขาดตรงขณะจุติจิตแต่อัธยาศัยภายในที่เราสั่งสมอุปนิสัยปัจจัยไว้ไม่ขาดถึงแม้จะไปอยู่ในภพใดชาติใดเนี่ยอัธยาศัยในการน้อมหาสาสนาจูแรงมากทําได้ไหมล่ะ ทำยังไงให้มันหนุนเนื่องลงผวังได้อะใช่ไหมฮะในผวังถ้าเป็นสมนัตได้เป็นอุเบกขาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นหมายบากใช่ไหมแต่ในผวังนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์ถ้ามีพุทธคุณเป็นอารมณ์เรจะจ ะ, จะน่าชื่นใจขนาดไหนใช่ไหมฮะเออถ้ามีคุณของพระเจ้าหรือมีอัธยาศัยที่เราตั้งไว้เนี่ยอัธยาศัยที่เราตั้งไว้น่เป็นอารมณ์จะน่าชื่นใจขนาด ฉะนั้นกลุ่มบุคคลทั้งหลายที่ต้องการจะเดินบารมีไม่ว่าจะเป็นสาวกะก็ดีปัจเจกะก็ดีหรือสมาสมพุทาก็ดีอันนั้นคือเส้นทางในการที่เราท่านทั้งหลายจะเดินเพื่อการตัสรุตามพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้นการที่จะตัสรูุ้ตามพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้หรือไม่ได้นั้นต้องพิจารณาตรงนี้เนี่ย ถ, ถ้าพิจารณาไม่ดีเนี่ยเราจะไม่เข้าใจฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่า ให้พิจารณาบอกว่าการที่เราบูชาพระรัตนตรัยใช่ไหมโยบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยในคาถาซึ่งซึ่งอาตมาเนี่ยชอบคาถานี่ค่อนข้างเยอะในของอตกะถาของสมันตาปาสาธิการที่ท่านนอบน้อมค่อนข้างจะสาธยายบ่อย ที่บอกไว้โยกาปโกติฮิเปียเปมยังการังกรุนโตอธิฎุกรานีเคดังกัตโตโรกัหิตายนาโทนะโมมหาครุนิกิสสากัสาะตาสะอาสัมบุทังพุทธานิเสวิตังยัง บว่าวพะวงขจิติชีวโรเกนโมอวิชชาทิกิเลสชาลาวิทังสิโนธรรมอวรัาสาตัสชาคุเนหิโยสิระสมาธิปัญญาวิมุตติญาณะปภูติยุูโต เขตตังชนะนังกุสรังกุสราธิการังตัมมะริยาสังคังสิระสานา ม, ามีนี่ในสมันตปสาสธิกาท่านพระอกาจารยนะ์ท่านบอกว่าข้าพเจ้าขอถวายนมสการแด่พระนาถาพระองค์ใดผู้ประกอบไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณนะเมื่อวานนี้พูดถึงในเรื่องของ ตอนที่สาธารณาสมุทฐานกับอาสาธารณสมุทฐานโดยเฉพาะเป็นอัจฉติยะนะสาธารณาสมุทฐานที่เป็นสมุทฐานภายในของท่านที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาที่คุณตักเตือนท่านเหตุที่มหากรุณาที่คุณตักเตือนของท่านพระโพธิสัตว์ผือพระมหาโพธิสัตว์เน่ยนเพราะว่าท่านประกอบบารมีสิบเวนในตนแล้วก็ประกอบสัตว์เวนในตน และในบรรดาบารมีเหล่านั้นท่านขับเคลื่อนด้วยปัญญากับกรุณาฉะนั้นเมื่อมหากรุณาของท่านเนี่ยแรงมากใช่ไถามว่าทำไมท่านถนึงมีอธัธยาศัยในการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์เพราะท่านก็เห็นความทุกข์ของเราท่านทั้งหลา ย, ยที่เราท่านทั้งหลายจมอยู่ในชาติทีทท่ทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์แล้วก็มรณะทุกข์เป็นต้นบุคคลพวกนี้เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มากที่คิดขนาดนั้นเนี่ย อนามาึกถึงขณะที่ว่าพรมเนี่ยที่ในสุดทาวาสที่ท่านเหลียวมองสัตว์โลกในหลายจักรวาลที่ท่านมองเห็นเนี่ยเนี่ยทุกบุคคลเนี่ยท่านผ่านในสายตาท่านหมดเลยแต่ท่านจ้องดูมานบหนุ่มที่แบกแม่ข้ามมาท่านก็รู้เลยว่าท่านผู้นี้จิตใจอาถรรพ์ท่านเลือกเลยพอเลือกไปเสร็จท่านกระตุน เป็นอุปนิสัยปรจัยท่านให้บุรุษทั้งนี้โดยการที่เทวดาโดนใจท่านที่ท่านมีความลักมารดาเป็นชีวิตจิตใจเลยเนะนะีท่านก็ตั้งอธัธยาศัยเห็นไหมตั้งตั้งอธัธยาศัยฉะนั้นในกรณีที่ท่านแบกมารดาแบกเลยต่างๆท่านเหล่านั้นน่ยถ้าพูดไปแล้วก็คือท่านเกี่ยวข้องกันในด้านของบารมีนั่นเลยท่านเกี่ยวข้องในทั้งด้านบารมีให้สังเกตดังที่ได้กล่าวว่าคนที่จะเป็น พ่อก็ดีเป็นแม่ก็ดีเป็นญาติมิตรต่างๆของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนี่ยนะเอี่ยเป็นสาวกเป็นมหาสาวกเป็นอัคาราสาวกนี่นะหรือเป็นสาวกต่างๆในระดับต่างๆนี่นะีบุคคลเหล่านี้คือกลุ่มบุคคลที่ตั้งอัธิยาศสยและพระโพธิสัตว์ท่านไม่ลืมเลยนะท่านเก็บเกลี้ยงไวนะ้บรรลุมหมดเออบรรลุมหมดทั้งบอกว่าการการที่บุกต้องต้องยอมรับว่า ไม่ว่าจะเป็นต้นพระสีมหาโพเอาแค่ต้นไม้ที่ไม่มีใจเนะี่ยถึงเป็นนิมิตเครื่องหมายแห่งการตัดสู้อันนี้ก็หนึ่งในการที่จะเป็นอุปนิสยปัจจัยการแทงตลอดเป็นพระพุทธเจ้าเห็นไม้มเรายังต้องสักการะบูชาขนาดนั้นฉะนั้นปัจจัยที่เกี่ยวข้องพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะถ้าไม่มีท่านเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ พระหมากัสสอบผ้านนต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งขาดไม่ได้ทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าขาดไม่ได้นั่นคืออุปนิสยปัจจัยฉะนั้นการตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากคือเป็นองคาพยบระดับมหูมาเลยขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็ล่วงเลยต้องรอจนบริบูรณ์ในปัจจัย ทั้งๆที่ตนเองสร้างบารมีเต็มแล้วก็ต้องไปคอยเนี่ยคอยให้ท่านเหล่านี้เอาคุณลุยบารมีมเข้าใจใช่ไหมมาจนถึงมาพร้อมกันเนี่ยต้องมาดูเอ๊ะประเทศบุคคลที่จะไปเกิดใช่ไหการเวลาเยอะแ ย, ะ, ยะหมดใช่ไหมแล้วอัคระสาวกแล้วบุคคลที่สร้างบุญบารมีมาไหลกันไหมอ่ะไม่ธรรมดาเลยจะไปตัดสรุในยุคที่เป็นอัคระได้ไงไม่ใช่มันยังยุคที่ก็พร้อม ใช่ไหมแล้วเมื่อพร้อมช่วงไหนต้องลงมาพร้อมช่วงนั้นด้วยใช่ไหมเม่อช่วงแปดหมื่นปีเขาท่านก็ลงมาแปดหมืนช่วงนี้พร้อมร้อยปีเป็นอายุขัท่านก็ลงมาช่วงร้อยปีพอร้อยปีเป็นอายุขัยในการทํางานของท่านลองคิดดูดีแทบไม่ได้รับแน่นอนเลยอ่ะไม่ได้พักเลยเอ า, างั้นถเถอะนะเพราะว่าอายุช่วงสั้นมากแล้วจะต้องขจรกระจายพระธรรมเนี่ยนั่นไงคือพระพุทธเจ้า พระมหากรุณาที่คุณเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกผูกสัตว์ไว้ในตนนั่นคืออัธยาศัยแล้วก็บา ร, รมีสิบไว้ในตนเดินก็คือต้องเดินลำบากก็คือต้องลำบากเก็บอะต้องเก็บให้หมดนั่นคือกิจใช่ไหมกิจใดที่พระศ า, าสดาได้ทำแล้วกิจนั้นพระศ า, าสดาทำเสร็จสิ้นแล้วแกเธอทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นลอ้อมฟ่าใช่ไหมเธอจงไปเพ е ่งพินิษฐ์ทั้งอารามโนปณิชานและลัคนูปณิชานเนเธอจะได้เป็นผู้ไม่เสียใจในภายหลังใช่ไหมคือพระศาสด า, ศ า, ท, า ท, ท่านทาเสร็จแล้วท่านนึกเยาปรินิพานเหลือกิจของพวกเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้เป็นนาถเนี่ยนีมีพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงกระทําซึ่งกรรมทั้งหลายที่ทําได้ยากยิ่งนะ ถามว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เอาบา ร, รมีสิบอุปปา ร, ปรมีสิบและประมาทบา ร, รมีสิบเนี่ยถามว่ามีใครบ้างเนี่ยอาจหารจะทํากรรมประเภทเนี้ยมีใครบ้างงั้นบุคคลเหล่านี้นะ่ะควรถวายชีวิตให้ท่านใช่ไม่ใช่เพราะไม่ใช่เป็นบุคคลที่คิดในเรื่องธรรมดาไม่ได้คิดเพื่อตนเองใช่ไหมถ้าอยาคิดเพื่อตนเองเนะี่ยแต่จะลุ้ง อ, อะไรก็ได้ เพราะอย่างที่กล่าวเมื่อวานเนี่ยวิปัสสนาญาณของท่านเนี่ยเดินคล่องมากท่านเดินมาถึงประตูไม่รู้กี่ล้านรอบแล้วแต่แทนไม่ขันไม่เดินผ่านตรร น, นีประตูเข้าไปเพื่อบรลุเป็นพระโสดาบันเป็นตน้นแค่นั้เนเองวิปัสสนาญาณของท่านเนี่ย ค, คล่องแคล่วไม่รู้จะคล่องแคล่วยังไงแล้วห้ามใจไม่ให้บรรลุเนี่ยห้ามยากแค่แตถ้าไม่มีกรุณาจริงๆนะดึงปัญญาไว้ไม่อยู่หรอกปัญญาก็ตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉติปหารไปตั้งนั้นแล้วใช่ไหม ต้องมีกรุณากษัตริย์ต้องผูกสัตดไว้นแน่นปึ๊กเลยไม่ใช่แน่นธรรมดานะหนึ่งในนั้ น, นคือผูกเราเนี่ยไว้ก็อย่างพูดเมื่อวานนี้ใช่ไหมเราพระพุทธเจ้ามาตรัสถ้ารวมๆคํานวณคํานวณดูอย่างที่ท่านพระ อ, อัจฉริาจารย์ท่านดีดกาจารย์ท่านรวบรวมกันไว้เนี่ยประมาณแปดสิบสี่สงไข่มีพุทธเจ้าหมดเลยแต่เราลอดมาเฉยเลยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยลอดไม่ได้ยังไง รอดขายพยานเงี้ยไม่ติดเลยไม่ไม่ไม่ติดพุทธายันขององค์พระองค์เลยเนี่ยอันนี้คือเราสัตว์มีบาปแท้เลยอ่ะที่ผ่านมาต้องรู้เนื้อรู้ตัวให้ดีตรงเนี้ ย, ยถ้าอย่างนั้นเราก็จะนั่งประมารต่อไปเนี่ยนะแสดงว่าเราไม่ได้ตั้งอัธยาศัยอะไรไว้เลยตั้งก็ตั้งเบามากเฮ้ยเราก็ต้องตั้งมาอาจจะตั้งเป็นรอบที่ต่ออะไรแล้วก็ไม่รู้นี่นะอาจไปลม้มแต่อย่าลม้มใช่ไหมตั้งอัธยาศัยเพื่อไม่ให้ลม้ม ตรงนี้ก็คือว่าอันหาประมาณมิได้แม้ด้วยหลายโกรดกลับก็หมายความบอกว่าเป็นกรรมที่ทําได้ยากยิ่งนักตลอดการอันนับประมาณมิได้แม้หลังหลายโกรดกับถามว่าทำกรรมประเภทเหล่าเนี้กรรมในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ท้อถอยในการที่จะหยุดปรารถนาและการกระทําคนที่ทํากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่มุ่งมั่นเน่ยจากการมโนกรรมก่อนพอครบเจ็ดแล้วก็มา กายกรรมใช่ั้ยเออเป็น ว, จ, รรวจีกรรมเพราะวจีกรรมเบ็ดเสร็จอีกเก้าใช่มครบสิบหกก็มาทั้งกายวาจาีและใจอีกสี่สงไขเนี่ยยิ่งด้วยแสนมากลับเนี่ยหลายโกรธกลับอย่างเนี้ยซึ่งถึงซึ่งความลำบากเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อประโยชน์แก่เราภาพ พทธเจ้าที่มาตรัสแต่ละองค์แต่ละองค์เลยเพื่อประโยชน์แก่เราทั้งนั้นเลยแต่ยังว่าเนาะมันลอดต้องยอมรับว่าเป็นพันเอามาตาจริงๆไม่ยอมไปลิพณีพานเนี่ยนะโมะบอกโหเป็นพันนี่คงเส้นคงวางจริงนะจะเป็นต่อของวัตตากันอยู่แล้วทยนยังไม่สะดุ้งสะดือนกันเลยใช่ไหมน่ากลัวไหมแตนี้เอาใหม่ ก็าาละอวดแต่ไม่แน่นะเราอาจจะตั้งยาวๆกันก็นไวใช่ไหมถ้่คิดมุมนี้กันเราลองคิดดูในใจดูที่เโพสิความตั้งยาวๆของเราก็ไม่เป็นไรใช่มหมแต่ตั้งยาวๆก็ขอให้เจอพุทธศาสตร์ตรงนี้นี่แหละข้าพเจ้าขอถวายนะมามสการด้วยนะพระธรรมอันประเสริฐนั้นที่พระพุทธเจ้าส่องเสพอยู่เป็นนิดถามพระพุทธเจ้านี่ส่องเสพพระธรรมอยู่เป็นนิดฐ์ไหม โลกุตละธรรมมีท่านซ่องเสพอยู่เป็นอัธยาศัยของท่านเลยใช่ไหมท่านท่องสเสพแล้วไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์ก็เกี่ยวกันในเรื่องของสมาบัติอื่นๆก็เกี่ยวข้องกับนิพพานนั่นแหละนยะท่านเสพพระสมาบัติเป็นอัธยาศัยของท่านเลยอันขจัดเสียซึ่งขายคือกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นนะะซึ่งสัตว์โลกเมื่อไม่อย่างรู้ก็ท่องเที่ยวไปสู่ภพน้อยและภพใหญ่เนี่ยเราเนี่ยถูกอวิชชาเนี่ยห่อหุ้ม ตั้นหาก็เป็นยางเหนียวนะก็มิจฉาทิถีก็เป็นคู่คิดโอ้ยวิภาควิจารผิดนี่เก่งมากเช่อเพะูุ้ชนเนี่ยถ้าเป็นมิจฉาทิถีง่ายแสนง่ายจริงๆแสนจะง่ายดายมากเลยก็ท่องเที่ยวไปสู่พบน้อยและพบใหญ่พบน้อยพบที่อายุสั้นๆพบใหญ่ก็พบที่อายุยืนๆ ก็ไปคิดดูเราไปมาหมดแล้วพบน้อยและพบใหญ่ข้าพเจ้าขอถวายนะ้มาสการด้วยเสียงเก้าซึ่งพระ arya สงฆ์ผู้ประกอบไปด้วยคุณทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานาัทัศนาเป็นเขาหมูลเป็นบุญญเขตของชนทั้งหลายผู้มีความปรารถนากุศลนั้นสรุปแล้วก็คือเมื่อวานนี้พูดถึงในเรื่องของพุทธธรรมสังฆาโดยสภาวะแต่ไม่ได้พูดดึงโดยโดยบัญญัติพูดโดยปรมัตสภาวะใช่ไหม พุทธะนั่นสภาวะของพุทธะหรือสัมมาสัมพุทธะนั่นหมายถึงสภาวะที่ตรัสรู้อริยสัจใช่ไม่ใช่เป็นสภาวะเท่านั้นเองเป็นสภาวะที่ตรัสรู้แทงตลอดอริยสัจด้วยการรอบรู้ทุกสัจลาสมุทยัยสัจทํานิโรธสัจให้เป็นอารมณ์แล้วก็ประชุมอริยมรรคเพราะคําว่าสัมมาสัมพุทธะเนี่ย ถ้าเราจะมาหาองค์ธรรมกันจริงๆได้แก่อะไรนะสัมมาสัมพุท ธ, ธาี่องค์ธรรมได้แก่อะไรต้องช่วยหาหน่อยพีสัมมาสัมพุท ธ, ธานี่ใช่ไหมเพราะท้าว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธก็ต้องเป็นถ้าสูงสุดจริงๆก็คืออราัตมรราอรหัตผลใช่ไหมต้องต้องเอาตรงนั้นใช่ไม ทีนี้ก็ต้องไปพิจารณาอย่างนี้บอกว่าการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตัดสั้นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใช่ไหมเข้าถึงความบริสุทธิ์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยที่บอกว่าขันธสันดานในความเป็นพระพุทธเจ้าหรือพยานเป็นพระพุทธเจ้าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นผู้มีคุณอะไรเป็นลักษณะอะไรเป็นเครื่องกําหนด พยานที่แทงตลอดสภาวะตามความเป็นจริงหรือมีลักษณะแทงตลอดอย่างไม่ผิดพลาดดุดการแทงทะลุทะลวงของลูกศรที่นักแม่นธนูยิงออกไปนี่นะมีหน้าที่ส่องเขตขอบเขตดุดดวงประทีปปรากฏโดยไม่หลงดุดคนนำทางป่าในป่ามีสมาธิเป็นประทัฐานดุดแก้วมณีล้ำค่าและดุดทองคาที่เป่าดีแล้วด้วยประการดังที่ได้กล่าว ฉะนั้นพยานที่ละโทษพร้อมทั้งวาสนาทั้งหมดจดดีแล้วเนะ่ความสามารถแทงตลอดสิ่งที่พึงรู้ได้โดยไม่มีส่วนเหลือตามความเป็นจริงชื่อว่าลักษณะพยานที่กำหนดลักษณะนั้นชื่อว่าเครื่องกำหนดเนะลักษณะก็คือคุณเครื่องกำหนดก็คือผู้มีคุณลักษณะคือคุณเครื่องกำหนดคือผู้มีคุณเนะ ผู้มีคุณชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระคุณก็คือพักคุณของพระพุทธเจ้าด้วยประการดังกล่าวมานี้ถามบอกว่าพญานเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยความบริสุทธิ์ของพระของพระองค์เนี่ยเป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าถ้าบอกอย่าไปพึงเข้าใจอย่างนั้นเหมือนคำที่เก็บอกพระราชาเสเด็จมาก็เป็นอันพูดว่ากองทัพและยานพานะทั้งปวงมาด้วยใช่ไหมชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกัน เมื่อพูดถึงความบริสุทธิ์แห่งพระญานบัณฑิตก็รู้ได้ด้วยว่าอารูปขันย์ใช่ไหมอรูปขันย์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอ า, า, ธาตธรรมนะเนี่ะมองยากไหมในอ า, า, ธาตธรรมนะเนี่ยอ า, า, ธาตธรรคมีเจตสิกประกอบสาหกเนาะมีเวทนาขันสัญญาขันย์สังขารขันย์แล้วก็วิญญาณขันย์ องรูปขันอรูปธรรมนามขันธ์สี่ในขณะกระทำอรหัตธรของพระพุทธเจนะ้าอันนั้นบริสุทธิ์ทีนี้นามขันธ์สี่ที่สัมยุญกับพยานอารูปขันธ์เนี่ยนะนะแล้วก็ต้องบอกว่ารูปขันธ์ด้วยนะต้องบอกว่ารูปขันธ์มีหัตถเยาวัตถุเป็นต้นที่เป็นที่ตั้งของนามธรรมนามขันธนะ์นั่นแหละ ใช่เพราะว่ารูปกับนามก็เป็นไปด้วยกันอยู่แล้วก็เข้าถึงความบริสุทธิ์ด้วยพองแผ่วด้วยหมดจดด้วยใช่ไมถูกชำระสาสางด้วยถูกทำประริญญาอย่างรอบครอบด้วยกเกลี้ยงหมดเลยนั้นพยานที่แล่นไปในสิ่งที่พึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือคือรูปประขันที่สัมยุญกับพยานเนาะเออเขาไปแม้อรูปประทมที่สัมยุญกับพยานก็ย่อมแล่นไปอย่างนั้น เพราะฉะนั้นการใช้โวโหหารว่าพระพุทธเจ้าจึงใช้ได้ในความสืบต่อแห่งรูปธรรมและรูปธรรม ท, ที่บริสุทธิ์แม้ทั้งสิ้นเลยอันนี้พูดโดยปรมัตา์ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือความสืบต่อแห่งรูปธรรมและรูปธรรมหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยอันนั้นคือความเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆใช่ไม่ใช่แต่สภาวะที่เป็นพุทธะเนี่ยท่านหมายถึงสภาวะที่แทงตลอดอริยสัตว์นั่นเอาอาราธมักในอาราธมักนี่นแหละ ที่ไปแทงตลอดอริยสัตว์เลยใช่ไหมแล้มีนิโรธเป็นอารมณ์แล้วอาหารห a ต h a m a r k ตรงนั้นแหละเป็นตัวทําลายกิเลสทั้งสิ้นในกำมลสันดาลของพระ อ, องค์แล้วก็ทําลายวาสนาเกลี้ยงเลยในมรคานันตนผลนั่นหนึ่งขณะอาาร h a t h a p ก็เกิดสืบต่อโดยไม่มีระหว่างขั้นฉะนั้นสภาวะที่ไปแทงตลอดอริยสัตว์ก็คือแทงตลอดทุกข์รอบรู้ในทักทุกข์โดยกิจนะนะ ลาสมูไทยก็โดยกิจนี่นะทํานี้รอดให้แจ้งก็คือตอนนั้นขนาดมากกรรคจิตนั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์จริงๆแล้วตอนนั้นอริยมรรคสติปัฏฐานสมรปทานอิทิบาทาอิน ท, ท, ท, ทรพีพระละโพชงอริยมรรคโพธิปักกิรธรรมก็ประชุมกันในมรรคนั้นนั่นนั่นแหละคือ like พระเจ้าสภาวะนั่นแหละคือพุทธะนั่นแหะคือสัมมาสัมพุทธะตัดสรู้ได้โดยตนเองก็ย้อนลอยเลยตอเนี้นะย้อนลอยเลยคำว่าย้อนลอยก็คือสืบ ใช้กระนามนศิการในการคิดในการคิดสาวหาปัจจัยของอาราธมักของอาราธผลมองเห็นอย่างนเดียนี้เออจะได้เห็นเลยว่าอ๋อปัจจัยของอาราธมักปัจจัยของอาราธผลเนะี่ยมีอะไรแต่เนี้ยจะดูปัจจัยมุมไหนปัจจัยในมุมตามลำดับใช่ไหมตามเนติปุคกรก็ได้หรือตามคำพีวินายบิดกเป็นต้นก็ได้ ตามพระสุตตันตปิฎกก็ได้ตามพระพิธรมปิดกเป็นต้นก็ได้ถ้าไปตามอภิธรรมอภิดิกนี่นะก็ลายปัจจัยยี่บสี่มาจับได้สี่สิบเจ็ดมาจับได้เนาะในอาหาตามรักนั้นนั้นอันนี้เป็นเรื่องกว้างเลยเดี๋ยนี้เนี่ ย, เ, ย, เ, ยเป็นเรื่องกว้างทุกอย่างที่คิดเพื่อเข้าหามุมแห่งอาหาตามรักษ์ของพระโรมศ า, ศาสดาที่เป็นสภาวะพุทธานั้นเน่ยเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงสัตว์ทินซีเวรยยิยินรียสมตินซีสมาตินรีและปัญญรีของสัตว์ในยุค ป, ปัจจุบันได้มั่นคงมากขึ้น น่าชื่นใจนะถ้าเรายิ่งพิจารณาเนะีปัญญาก็ยิ่งชัดทีนี้ถ้ามาพิจารณาแล้วประกาศให้ถึงอะไรดีนะการใช้โวหารว่าพุทธคุณจึงใช้ในการที่ความสืบต่อข อ, ของความบริสุทธิ์นั่นเองฉะนั้นการที่กระจกเงาใสสะอาดเป็นเหตุให้เห็นรูปการที่ตะเกียงมีแสงสว่างจ้า ก, ก็เป็นเหตุประกาศให้รู้ถึงน้ํามันและไส้ใช่ไหมความที่จักสุปราศเป็นต้นแจ่มใสดีก็เป็นเหตุให้ จากขูวิญญาณเป็นต้นรู้แจ้งฉันใดนะรู้แจ้งรูปนะฮะภาวะที่จิตเจสิกเหล่านั้นมียานเป็นประธานไร้มวลทินบริสุทธิ์เป็นเหตุให้รู้แจ้งสิ่งที่พึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือฉันนั้นเหมือนกันเนาะแล้วก็ พ, พิจารณาดูอย่างนี้ก็เห็นเลยเดีน๋นี้ไอตะเกียงเนี่ยท่านสว่างจ้าเนี่ยก็ประกาศถึงไส้ก็ดีน้ํามันก็บริสุทธิ์ใช่ไหมนี่เนี่ยหลอดไฟเนี่ยถ้าสว่างจ้าเนี่ประกาศถึงอะไรไงหลอดดีไส้ดี แล้วก็ไฟฟ้าเดินสะดวกนี่นะถ้าประกาศอย่างงั้นครณีเหมือนกันก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของปัจจัยต่างๆนั้ยแล้วก็สังเกตอย่างนี้เหตุผลก็คือว่าสัพพัญยุติขอภัยเกี่ยวนในเรื่องของมรรคยานพรยานของพระผู้มีภาคจา้าจนถึงสัพพัญยุตยานอนาวรณยานอินทรียาปรโรปริจญาติยานใช่ไหมมหากรุณาสมาปัฏิยานอาสยานุสยญาณเป็นต้น ของอาสาธรรัญญ า, า, าเป็นต้นของพระผู้มีพรภาคเจ้าที่สว่างจ้าชัดเจนแล้วก็ทะลุทะลวงได้ไม่มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรมากีดขวางบ่งบอกถึงบ่งบอกถึงว่าอารหัตมรักษไม่ธรรมดาต้องต่างจากอารหัตมรักของภาษาลีบุตรของพระโมคคัลลานนะนี่วิธีคิดใช่ไหมต้องต่างจากภาษาวกทั้งสิ้นและต้องต่างจากพระปเจ ก, กับพระเจ้าด้วยเหมือนกันคือของพระเจ้าเท่านั้น นั้นต้องมีจุดต่างแน่นอนจึงชัดเจนแจ่มเจ้าแล้วก็มีความมหาสจรรย์ั้งบานนั้นก็บ่งบอกถึงอะไรประทัดฐานไม่ธรรมดาแล้วหรือปัจจัยแวดล้อมก็ไม่ธรรมดาเอาดูอย่างนี้ดูปัจจัยที่ยาวนานก็คือบารมีสิบอุปปา ร, ร, รมีสิบปรมัทบบารมีสิบยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากรัฐธรรมดาไหมนี่เห็นั้มความไม่ธรรมดา ฉะนั้นนะบารมีเหล่านั้นจะบ่มเพราะโพธิปักจญยธรรมช่ำชองพระสปันได้หนอจะบ่มเพราะศิขาษาให้ให้มีความแข็งแรงถ้าขนาดไหนใช่ไหมนี่แหละเราจะได้เห็นแล้วความกว้างขวางในการที่นํากระแสขันของสัตว์มันมาวิจัยลงอริยสัตว์มากไหมมากเลยใช่ไหมแม้แต่ขันของเราที่นั่งกันอยู่นี้ถูกวิจัยเรียบร้อยหรืยอยังหลายร้อยหลาย ล, ายล้านรอบแล้วแล้วก็ ตรวจดูอินทรียเราครบปีย์ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็หลายหลายล้านองค์เนาะที่ท่านมาตรวจไม่ผ่านล้นทีใช่ไหมแสดงว่าคราวนี้ตรวจไปอีกแล้วนะแล้วจะผ่านไหมเนี่ยผ่านอ๋อเีอยบกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วเนาะ อย่าพิชิกใบสมัครทิ้งหรือยื่นนี่ยังส่งใบสมัครนี่ยัง <c oughs> ต้องใส่เก็บสมัครไว้หลายใบยดิแล้ว <c oughs> ไอตรงนี้น้ากลัวตรงนี้ใบเดียวเนาะถ้าสมัครไว้ใบเดียวก็น่าน่าน่าคิ ด, คดพราะตรงนี้นะก็ต้องต้องต้องไปพิจารณาดูให้ดี ที่ถามบอกว่าอันความบริสุทธิ์แห่งจิตเนี่ยถามว่าอะไรสร้างความบริสุทธิ์แห่งจิตของพระผู้มีพระเจ้าอะไรเป็นกูสร้างทำไมพระองค์จึงได้มหากริยาทาไมจึงได้สพัญุตยานานาวรานญาณเป็นต้นทำไมถึงได้พุทธญาณสิบสี่เวนิกระทันสิบปดใช่ไหมก็ทำไมจึงได้ทดพ 10, ศพลญาณสิบเวสารัชญาณสอะไรสร้างมะ อาราตมารคสร้างมาใช่ไหมใช่ไหมอาราตมารคเเป็นประฐ า, านเป็นตัวสร้างมากว่าจะได้สิ่งเหล่านี้มาแสดงว่าอาราตมารคเป็นผู้ให้อันนั้นคือเหตุใกล้ชิดใช่ไหมแล้วใครสร้างอาราตมารคใช่ไหมใครเป็นคนสร้างอาราตมารคอะไรสร้างมาวิปัสสนาญาณของพภานาคารนะสร้างมาใช่ไหม วิปัสนาญาณของพระนาคานั่ยแหละเป็นผู้สร้างอาราธมักและใครสร้างวิปัสนาญาณของของพระนาคาก็นาคามีมักเรอเนี่ยใช่ไหมใช่แล้วนาคามีมักกับใครเป็นผู้สร้างก็วิปัสนาญาณของสกาธาคามีมักเป็นผู้สร้างมาใช่ไหมแล้วใครสร้างสกาธาคามีมักก็วิปัสนาญาณของโสดาบันนั่นเลยแล้วใครสร้างโสดาพอิมาก็ วิปัสนาญาณองบุญชนของพระโพธิสัตว์นั่นหละของมหาโพธิสัตว์แต่สร้างมีไรไปสิแล้ววิปัสนาทั้งหลายเบ็ดเสร็จนะนะเอาวิปัสนาญาณของอาตมาคเลยเนี่ยนะถ้าฐานของวิปัสนาญาณ น, นั้นคืออะไรสมาธิใช่ไหมสมาหิตโตยะถาภูตังประชานาติเนี่ยเมื่อดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริง เขแสดงว่าสมาธิเนี่ยสร้างมานี่มันก็เริ่มเริ่มมองเห็นบรทัศน์ น, นี่เขาเรียกาการณมณสิการนะแต่การณมนสิการนีย่ยไม่ใชาคิดเองน ะ, นะมนีการณ์มนุษย์การประศึกษาพระธรรมไปเสร็จแล้วร้อยเรียงเขาทำของพุทธเจ้าได้คิดลงไปหาเบื้องต้นก็ได้ใช่ไหมมองไปถึงสูงสุดก็ได้อนุปาธาป ร, รินิาพานเลยก็ได้เนี่ยถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้จักเส้นทางเดินแล้ว ถ้าเส้นทางเดินตรงนี้ไม่ชัดจะชัดไหยในใจแล้วเดินไปเลยแต่นเนี้ยนะเหมือ น, น, น, นคนเมาเลยเดินเหมือนคนเมาเลยแต่เนี้ยไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเกาไปทั่วตอนนี้คงไม่ไปทั่วแล้วนะเกาะติดเลยแต่นเนี้ยนะทีนี้ก็ไล่ไปตามลําดับใช่ไหมสมาธิก็มีอะไรก็มีสุขนะสุขปัสจัทิธิ ปีติเนาะปลาโมดแล้วก็อาวิปัสาสานศีลเบเดอร์อะไเนี้ยแล้วก็มาถึงศรัทธาแล้วก็มีการฟังพระธรรมเป็นต้นกระไรเพื่าทำลำดับอย่างเงี้นะอันนี้คือการจาวตังนี้ไปตรงกับคําสอนที่บอกว่าสมาธิเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะศีลดังที่พระเจ้าตรัสอันนี้ไปเข้าในคำพี์สั่งยุตเลยวันก่อนเปิดเปิดไปไปเยอะคมภีสั่งยุติในกายเนะีในชตาสูตร ศีเลปฏิทหายานโรสปัญโยจิตตังปัญญจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิคุสุไวมังวิชัตเตเยชะตันตินี่เป็นคัมพีร์วิสุติมาร์กเล่มเบลอเลยยังใหญ่เลยเดีนี้เพราะพระเถรโาศาจา์แต่งคมพีเนี่ยนะแต่งคาถาแค่เนี้ยแต่งเป็นคำพี์วิสุติมาร์กเป็นศีลนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศโราเรียนกันต้องบ้านั้งเมืองเลยเรียนจบแล้วเนาะจบยี่รอบแล้ว